อันพระรัฐบาลเนี่ยกลับไปบินธบาติที่บ้านอยมคือคือเดินเที่ยวบินธบาติเนี่มานนานก็ม่มีใครใส่นะก็ผ่านไปทางบ้านพ่อไม่มีใครใส่บาทเลยเขาเข า, เขามีแต่ด่านะพ่อเนี่ยด่าเลยจําลูกไม่ได้ทีนี้ก็สาวใช้เนี่ยคนใช้ที่บ้านก็จะเอาขนมบูดไปทิ้งจะเอาไปเททิ้งอะ่ะก็บอกว่าน้องหญิงไหนไก็เททิ้งอะ่ะเทในบาทอัตามาเถอะก็คือของมีอันทิ้งเป็นธรรมดาใช่ไหม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 อธิศีลอธิจิตและอธิปัญญาันชีวิตที่เหลือก็เพื่อชีวิตเพื่อพรหมจรรย์พรหมจรรย์เพื่ออะไรเพื่อศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาเพื่อพรหมจรรย์นี้ไม่ใช่เป็นไปเพื่อนาลาศการะเจ้าหมูเจ้าคณะให้คนยกย่องนับหน้าถือตาไม่ในพรหมจริยสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงสแสดงไหมแต่พรหมจรรย์ที่พระองค์ทรงประพฤตินั้นเป็นไปเพื่อสังวระ ปหารนะนิโรธะสัมโภธายะแล้วก็นิพพานายะอันเป็นพรหมจรรย์ศีล ส, สมาธิปัญญาที่พระองค์ทรงบำเพ็ญเพื่อสังวรเพื่อจะทําสังวรห้าให้บริบูรณ์ทําให้ปาติโมกสังวรบริบูรณ์อินทรีย์สังวรบริบูรณ์ขึ้นขันติสังวรบริบูรณ์ขึ้นญาณสังวรวิริยะสังว ร, ว ร, งวรบริบูรณ์มากขึ้นเพื่อปะหานะเพื่อตะทางฆ่าปะหารเพื่อวิขำพนะปะหารเพื่อสมุดเฉท่าปะหาร เพื่อปฏิปักสัตที่ประหารและก็นิสรณะประหารนิโรธายะเพื่อดับกิเลสนะแล้วก็เพื่อปรินิพพานอันคือท่านมองเห็นว่าสังสารทุกเนี่ยมันทุกเหมือนกันเถอะอันพระ ท, ที่ท่านมีอัธยาศัยประเภทเนคขมมะนะท่านก็ลาาักษณะพิจารณาจึงไม่ได้มีอะไรเป็นข้อผูกมัดข้อยึดติดสักอย่างพร้อมที่จะไปได้ หาความมั่นคงถาวรไม่ได้สักอย่างแต่าถามว่าปฏิบัติด้วยความเศร้าส้อยเงาหงอยหรือเ ป, ปล่าเปล่ากุศลจิตเกิดขึ้นนะมีเวทนากี่อย่างอ้าวกุศลจิตมีเวท น, นาสองใช่คือสมนัะกับอุเบกขาเพราฝันถ้ากุศลจิตเกิดขึ้นบริบูรณ์จริงๆนะถึงเราไม่มีอะไรนะสมตุตตาเดินเดินเนี่ยคนหนึ่งขับรถเต็งไปเราเดินเนี่ยนะเรารู้สึกเรามีความสุข บอกว่าความสุขที่สุดก็มันเดินก็ดีมกันนะมันมันมันสบายใจบอกไม่ถูกอะถ้ามีคนขับให้เราขี่นะเรากลับทุกกว่าเดินหลายครั้ง้วเป็นอย่างนั้นเลยคือมันเกรงใจเขาถ้าเดินนี่มันค่ามันลำแข้งของเราเองเลยแต่ถ้าหากว่ามีคนมาคอยรับคอยส่งไม่สบายใจเลยจริงมันเครียดบอกไม่ถูกกันนะมันอึดอัดยังไงไปแล้วอ่ะนะต่อไปอีกนะว่า ถ้ามหาบุรุษเมื่อตรวจดูมหาชนที่ควรสงเคราะห์พิจนารณาและฝ่าฟังแล้วคิดอย่างทราบว่าบุคคลนี้ควรแก่สักการะดังนี้แล้วทำรรกิจพิเศษของบุรุษในบุคคลนั้นในการก่อนก็แล้มหาบุรุษทรงยืนตรงไม่ต้องน้อมผวากระายลงก็ถูกต้องพระชา누ทั้งสองด้วยพระกรทั้งสองได้และมีพระกายเป็นปริมณฑลดุจต้นนิโครธ ที่งอกงามบนแผ่นดินด้วยผลกรรมที่ประพฤติมาดีแล้วยังเป็นส่วนเหลือมนุษย์ทั้งหลายที่มีปัญญาอันละเอียดรู้จักนิมิตและลักษณะมากมากอย่างทํานายว่าพระโอรสนี้เป็นพระดรุณกุมารยังทรงพระเย้าย่อมได้ลักษณะอันคู่ควรแก่ครือขัดมากอย่างกามาโพคะอันควรแก่ครือขัดเป็นอันมากย่อมมีแก่พระราชกุมารผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน ในมรดกวิสัยนี้ถ้าพระราชกุมารนี้ทรงละกามโผคะทั้งตัวทรงได้อนุตรธรรมอันเป็นทรัพย์อย่างสูงสุดอนุตรธรรมคือธรรมที่สูงสุดได้แก่มรรคผลและนิพพานพระผู้มีพระภาคนั้นหลังจากออกบวชพระองค์ได้โสดาปฏิมักเป็นต้นจนถึงพระนิพพานท่านพระองค์ได้ได้อนุตรธรรมได้ทำบรรดาธรรมะทั้งหลายอะไรประเสริฐที่สุด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 หวังความกระเมจากโยคะแก่ชนเป็นอันมากด้วยมณติการว่าทำไหนชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศรัทธาก็คือหวังประโยชน์เพื่อกูนแก่ศาตร์ทั้งหลายนั่นเองทำยังไงก็จะมีศรัทธามากขึ้นชนเหล่านี้พึงเจริญด้วยศียลให้เขามีศีลเพิ่มขึ้นเจริญด้วยสุตตะเจริญด้วยพุท ธ, ธิเจริญด้วยจาคะเจริญด้วยธรรมะเจริญด้วยปัญญา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 ทำยังไงนะซับภายในคือศรัทธาเป็นต้นของเขาจะาบริบูรณ์ทําอย่างไรซับภายนอกคือพวกเลือกสวนไร่นาเป็นต้นเนี่ยนะจะได้เจริญบริบูรณ์เฟันอันนี้สองที่หวังประโยชน์เกื้อกูลอย่างนี้เนี่ยตถาคตเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื้องหน้าแต่ตายเพราะกายแตกเพราะกรรมนั้นอันตนสังสม พ, พ่อภูนไพบบูรณ์ก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ก็ล่วงเทพเหล่าอื่นด้วย สิ่งที่เป็นทิพย์สิบประการครั้นจุติจากสวรรค์นั้นแล้วมาสู่ความเป็นอย่างนี้ย่อมได้เฉพาะซึ่งมหาปริศลักษณะสามประการคือมีส่วนพระกายข้างหน้าดังว่ากึ่นกายข้างหน้าของราชสีหนึ่งเครียกว่าร่างกายข้างหน้าเนี่ยเครียกว่าองค์อาจเหมือนกับราชสีนะมีระหว่างพระปฤษสดางเต็มดีแผ่นหลังเนี่ยเต็มเป็นเหมือนกับแผ่นทองที่เอามาปะไว้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 ไม่เสื่อมจากาธาตกรรมกรไม่เสื่อมจากญาติไม่เสือเส่อมจากมิตรไม่เสื่อมจากพวกพ้องไม่เสื่อมจากสัพพะสมบัติไม่มีอะไรเสื่อมสักอย่างเลคือมีแต่มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมท้องพระคลังมีแต่บริบูรณ์ขึ้นบริบูรณ์ขึ้นภาสีอากงนี่นจะได้รับมากขึ้นมากขึ้นถ้าหากว่ามหาบุรุษนั้นออกบทเป็นบนรรพชิตจะได้เป็นพระอรหันต์ตัมมาสัมพุทธเจ้ามีหลังคาคือกิเลสอันเปิดแล้วในโลก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 ไม่เสื่อมจากปัญญาและไม่เสื่อมจากสมบัติทั้งปวงพระองค์นี้ไม่เสื่อมจากกุศลธรรมทุกชนิดเนี่ยพระองค์ไม่มีเสื่อมสักอย่างนับตั้งแต่ศรัท ธ, ธาวิริยะสติสมาธิปัญญาไม่ว่าจะเป็นสติปทานสี่สมปปทานสี่ที่บาสีอินทรีห้าพละหา้โ 7, าโพชฌงเจ็ดอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์แปกุศลธรรมเหล่านั้นเนี่ยพระองค์ไม่มีเสื่อมเพราะว่าทัพพุทธเจ้านั้นเป็นผู้ที่มั่นคงไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว พระมหาบรุษย่อมปราถนาความเจริญกับด้วยประชาชนเหล่าอื่นว่าทำเชนไพระหูชนจึงจะไม่เสื่อมศรัท ธ, ธาศีลสุตตะพุท ธ, ธิจาระคะธรรมะคุณธรรมอันให้สำเร็จประโยชน์มากทรับข้าวเปลือกนาสวนบุตรภรรยาสับสองเท้าสับสีเท้ายาตมิรพวกพ้องและพละวันนะสุขทั้งสองประการดังนี้ทั้งหวังความมั่งมีและความสาเร็จ พระมหาบรุษนั้นมีส่วนพระกายข้างหน้าดำรงอยู่เป็นอันดีดังว่า ก, กึ่งกายข้างหน้าแห่งราชสีและมีพระสอกลมเสมอกันทั้งมีระหว่างพระปริสดางเต็มดีปิสดางไม่แปลว่าหลังลักษณะทั้งสามเป็นบุพนิมิตไม่เสื่อมปรากฏอยู่เพราะกรรมที่พระมหาบรุษทรงประพฤติดีแล้วทำแล้วในการกรดพระมหาบรุษแม้ดำรงอยู่ในขีหิวิสัยทิหิ่ก็คือเครือขัด ย่อมทรงเจริญด้วยข้าวเปลือกทรัพย์บุตรภรรยาสัตว์สองเท้าและสัตว์สีเท้าถ้าทรงตัดกังวลเสียทรงผนวดจะทรงบรรลุสัมโพธิญาณอันประเสริฐมีความไม่เสื่อมเป็นธรรมดาก็จะได้บรรลุพระอนุตตระสัมมาสัมโพธิญาณอรหัตธรรมของพระองค์นั้นมาพร้อมกับคุณธรรมทั้งหมดคุณธรรมทั้งหมดที่จะพึงมีสําหรับความเป็นพระพุทธเจ้า คุณธรรมเหล่านั้นจะมีแก่พระองค์ทั้งหมดเลยเหมือนกับบอกว่าผู้ที่เป็นพระราชาเนี่ยพอได้รับอภิเษกปั๊บบ้านเมืองทั้งหมดถือว่าเป็นของพระองค์หมดใช่ไหมเวลาพูดกับพระราชาเนี่ยฝ่าละ อ, องธุลีพระบาทใช่ไหยพระบาทแปลว่าอะไรไแปล ว, ว่าเท้าบอกว่าข้าพเจ้านี่เป็นเหมือนกับฝุ่นที่เท้าท่านอ่ะคิดดูขนาดนั้นนะชีวิตของคนทั่วไปเหมือนกับฝุ่นเท้าเท่านั้นเองนั้นถ้าเป็นประดับพระราชาแล้วจะเป็นสูงสุดระดับนั้น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 ก็คือคุณธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงบำเพ็ญทั้งหมดเลยสี่อสงไขยแสนกับเพื่อสัตว์อย่างเดียวคือถ้าสําหรับพระองค์เองนั้นพระองค์เนี่ยพ้นแล้วเมื่อสี่อสงไขยที่แล้วคือถ้าจะเอาให้พ้นนะแต่ว่าไม่เอาปล่อยอรหัตตมรรคอันนั้นทิ้งไว้ใช้เวลาที่เหลือบำเพ็ญเพื่อเกื้อกูลอนุเคราะห์สงเคราะห์สัตว์อย่างเดียวเพราะคุณธรรมทั้งหมดที่ทรงบำเพ็ญก็เพื่ออนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลาย คิดดูนะว่าพระพุทธเจ้าจะช่วยเราสำเร็จหรือเปล่าเพื่ออะไรบอกเพื่อเราเนี่ยแหละคิดดูวพระองค์จะช่วยเราสําเร็จหรือเปล่าเนาะแต่เราต้องช่วยเราเองด้วยนะเจนิญพผู้ที่ยังละตันหาไม่ได้ก็เหมือนกันหมดเพระผู้มีพระภาคจึงทรงสแสดงว่าเทวดากลับมาสู่ความเป็นเทวดาน้อยมากเทวดามาเป็นมนุษย์น้อยมากจากเทวดาสู่อบายนี่มีมากกว่า เทวดาเองก็ไม่ได้ว่าพ้นจากอบายทุกขติวิบัตินรกอะไรเพราะว่าเทวดาเองนั้นสภาพจิตก็หมกมุ่นไปกับกามคุณห้าถ้าหาว่าบุญไม่ไม่มากจริงๆเนี่ยนะที่จะมาสู่ความเป็นเทวดาคืนหรือว่าจะไหลไปสู่ภพภูมิสูงๆไปอีกเนี่ยยิ่งยากตัณหาทุกชนิดนําเกิดถือว่านําเกิดหมดเลยเป็นอุปนิสัยแห่งแห่งภพหมดเลย เป็นอุปนิสัยแห่งการเกิดหมดเลยตอนตันหาทุกชนิดนั้นตัวเขาเองเขาไม่สามารถนำเกิดในลักษณะนานนาคะนิกกรต ม, มะปัจจัยได้เขาให้พ้นนำเกิดแบบปะกตูปะนิสยะปัจจัยอย่างเดียวถ้าหากว่าเราเนึกถึงข้อความในปฏิจจสมบาท ต, ตันหามีเวทนาเป็นปัจจัยแล้วก็ตันหานั้นเป็นปัจจัยให้เกิดอุปาทานก็อุปาทานก็โลภะอีกนั่นแหละ กับที่ที่เพราะฉะนั้นในขณะที่ตัณหาเกิดขึ้นนั้นอ่ะเป็นปัจจัยแก่อุปาทานอุปาทานเป็นปัจจัยแก่แก่ภพเป็นปัจจัยแก่เจตนาเจตนาเหล่านั้นนั่นเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยแก่ภพภพมีสองอย่างคือกรรมะภพกับอุปาติภพในขณะที่เจตนาเกิดขึ้นขณะนี้สมมุติเจตนาขณะนี้เป็นเจตนาที่เป็นไปในกรรมะภพเจตนาเหล่านี้เนี่ย ให้ผลเป็นกาลไม่วิบากแม้แต่เจตนาเหล่านี้คําพูดที่พูดไปหนึ่งคำเช่นจิตเห็นเนี่ยทําให้เห็นมีรูปารมณ์เป็นอารมณ์ในขณะที่มีรูปารมณ์เป็นอารมณ์นั้นก็มองเห็นสีคิดเรื่องสีถ้าหากว่าคิดด้วยอํานาจของโลภะโลภะนั้นก็เป็นตัณหาโลภะเป็นปัจจัยกับเจตนาเจตนานั้นเป็นตัวกรรมเจตนานี้ให้ผลแน่ ดวงที่สองถึงดวงที่หกนะถ้าไม่นิาพานเนี่ยไม่เป็นอโหสิกรรมอันเขาจะให้ให้ผลเป็นอุปติภพอุปติภพนั้นตามสมควรว่ากรรมบางอย่างก็ให้ผลนาเกิดกรรมบางอย่างก็ให้ผลในประวัติการแต่ว่าเจตนากรรมเหล่านั้นถือว่ามีตัณหาเป็นเป็นปัจจัยหมายความว่าในชาวนะนั้นเนี่ยโลภชาวนะนั้นเนี่ยโลภเจตสิกเป็นปัจจัยแก่เจตนา ในดวงนั่นแหละในดวงเดียวกันในดวงนั้นแหละและเป็นปัจจัยกแกดวงต่อๆไปด้วยแล้วก็เป็นปัจจัยดวงต่อๆไปด้วยเจนผาถูกไหมฮะก็เจตนาตัวนี้แหละคือคือกรรมภพนั่นแหละเจนผาเจตนาตัวนั้นเป็นกรรมภพอ่าเพราะว่าเจตนาเหล่านี้เกิดขึ้นปั๊บสาเร็จเป็นกรรมเมื่อสําเร็จเป็นกรรมนั้นถ้าปัจจัยพร้อมกรรมเหล่านี้จะจะให้ผลครับอ่าทีนี้ในเจตนาเหล่านั้นเนี่ยเราต้องไปดูน้ําหนักของเจตนาอีกครั้งเจตนาตัวนั้นมีน้ําหนัก ให้ผลนําเกิดไหมแต่ทีนี้ว่ากรรมที่เราทําทุกวันกันเนี่ยให้ผลนําเกิดทุกวันนั่นแหละนะวันหนึ่งเส้นเป็นวจีกรรมพูดออกมาเนี่ยในหนึ่งคำพูดเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนั้นอนแทบให้ผลนําเกิดได้เลยในหนึ่งคำพูดเช่นเปล่งคําดาวออกมาคําเดียวไออย่างเงี้ยใช่ไหมด้วยโทสะสามารถให้ผลนําเกิดได้แล้ว อันในคําพูดเหล่านั้นเนี่ยเจตนาเหล่านั้นเนี่ยจึงเป็นเป็นสิ่งที่น่ากลัวมากเลยนะมันนํามาซึ่งภพสามแต่ของเรารูปประพบอารูปประพบดูจะไม่ใช่อ่ะเจตนาเนี่ยซัดไปในภพสามใช่ไหมกามะภพรูปประพบอารูปประพบทีนี้ปุตุชนคนทั่วไปส่วนใหญ่ไม่ได้ฌานในจิตเมื่อไม่ได้ฌานในจิตนั้นเจตนาก็ซัดมาในกามะภูมิสิบเอ็ดเมื่อกามะภูมิสิบเอ็ดเนี่ยมันก็จะสมควรกับเจตนานั้ น, น, น ถ้าเรามองอีกนัยยะหนึ่งนะชีวิตของเราที่มันนั่งอยู่ขณะนี้เนี่ยกรรมนะซับมาจนถึงขณะ น, นี้โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกนี่ย่อมเป็นไปตามกรรมสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามจิตสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามตัณหาที่เรามานี่นะกรรมข้างหลังเราเนี่ยที่ติดตามเรามาไม่ใช่นน้อยเลยกรรมมากมายขนาดไหนจนคิดดูว่าเห็นดูเหมือนเห็นได้ตลอดเลยจากคุูวิ ญ, ญญาณสามารถเกิดตลอด ได้ยินเหมือนได้ยินตลอดร่างกายของเรานะมีสุขมีทุกเหมือนเกือบตลอดเวลาอันผลของกรรมมันขนาดไหนแล้วรูปร่างกายที่นั่งอยู่นี่ส่วนใหญ่เป็นกรร ม, มชรูปนี่ก็เป็นผลของกรรมแล้วเจตนากรรมที่เรากําลังทําเนี่ยเรารู้ไหมว่าเราจะไปไหนแล้วในตัววิบากกรรมมชรูปเหล่านี้ด้วยเจตนากรรมเหล่านี้ด้วยพระผู้มีพระภาคแสดงว่าโลกนี้โลกอันชารานําไปไม่ยั่งยืน ในธรรมุเทศสีข้อชารานำไปไม่ยั่งยืนถึงวิบากกรรมชรูปที่อาศัยอยู่นี้ก็เป็นไปตามอำนาจของชาราโลกเป็นของที่ไม่เป็นใหญ่เฉพาะตนหมายความว่าความเจ็บป่วยไขย้มันเบียดเบียนเราอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จาต้องละทิ้งสิ่งทั้งปวงไปแล้วก็มันพร่องอยู่เป็นนิดเป็นไปตามอานาจของตัหา คิดดูว่าเราเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยแรงปรารถนาของเราเนี่ยเกิดอยู่เกือบตลอดเวลาถ้าสังเกตนะเช่นขณะที่เห็นปั๊บเนี่ยเรายินดีไม่ที่จะเห็นแบบนี้ตลอดไปพอใจไหมน้อยมากสมมุติว่าใหม่ๆนะอ่าเราบอกว่าตอนร้อนๆปั๊บเอ๊ะน่าจะมีอย่างงั้นพอมันคิดพระได้อย่างงั้นมันจะคิดใหม่ไปเรื่อยๆในอารมณ์ทางตาก็เหมือนกันสีเหมือนกันเราจะไม่รู้สึกพอเลยนะเหมือนกับเด่มอะไรดื่มน้ําเนี่ยดื่มน้ําเค็มเนี่ย จะไม่รู้สึกอิ่มเลยมันจะกระหายไปเรื่อยๆมันจะเพิ่มดีกรีเรื่อยเหมือนยาเสพติดก็เหมือนกันพอติดปุ๊บเนี่ยมันจะเพิ่มไปเรื่อยเพิ่มปริมาณเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มลักษณะของตันหาก็เหมือนกันมันจะเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆเร่อยๆเรื่อยๆเพรานั้นความต้องการของมนุษย์จึงหาที่สุดไม่ได้เขาก็เทียบว่าพระราชาเนี่ยขนาดสมบัติของพระราชาก็าสมบัติทั้งแผ่นดินแต่ถ้ามีเมืองโน้นหน้าไปตีก็ไปตีเอาเมืองมาหนึ่ง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 สมมติถ้าหากว่าคนที่ที่ทานน้าตาลติดๆใหม่ๆก็ปริมาณน้ําตาลไม่มากนักใช่ไหมมันจะเพิ่มความหวานไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆจะเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่มมากขึ้นลักษณะของโลภะจะเหมือนกันจะแรงปราถนามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทีนี้ในขณะที่ปรารถนามีเจตนาเกิดร่วมด้วยเจตนาตัวนั้นแหละเป็นตัวให้วิบากและกรร ม, มชรุปเหมือนกับเขาเป็นพ่อไอ้ตันหาที่ปราถนาเนี่ยเป็นเหมือนกับแม่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 ปัญเขาก็จะไปสู่ภพภูมิที่เต็มไปด้วยกรรมมาคุณทั้งห้าทีนี้กรรมมาคุณทั้งห้าเขาจะได้เสวยหรือไม่แล้วแต่ว่ากรรมที่ที่ไปแต่งให้วิบากกรรมมาชรุปของเขาเนี่ยบริบูรณ์ขนาดไหนถ้ากรรมไปแต่งจกักรสุให้บริบูรณ์แต่งโสตะแต่งคานะแต่งเชิวหาแต่งกายะให้บริบูรณ์เขาก็จะเพียบพร้อมเออบิ่มไปด้วยกรรมคุณห้าเพราะก็แล้วแต่ว่ากรรมอะไรที่จะเป็นปัจจัยไปก่อวิบากกรรมาชรุปนั้นๆอีกต่อไป อันคำเหล่านั้นก็คือขนาดไหนก็ที่เรากำลังนึกคิดกันอยู่นี่แหละสิ่งที่เราทำคำที่เราพูดเนี่ยก็อพบใหม่อยู่ตลอดเวลาแถ้าหากว่าจเจริญมรา น, านุสติบ่อยๆนะจะรู้ว่ามันไม่ได้อยู่ไกลเลยในพบใหม่ต่อไปเพราะที่ผ่านมาเนี่ยนะอายุเยอะๆก็จริงอยู่นะสมมติถ้าอายุยี่สิบกว่าสา4สิบี่สิบห้าสิบเนี่ยมันเหมือนตัดเดียวจริงๆเลยเหมือนฝันเอาอะ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 มันช้ามากถ้าถ้าสมมติถ้าโทสะเราเกิดนะชั่วโมงหนึ่งโอ้โมันยิ่งกว่าสองปีอีกใช่ไหมไปรอใครสักคนหนึ่งด้วยโทสะมูลจิตเนี่ยมันกวนกวายเนี่ยนานจริงๆเลยแต่ถ้าหากว่ากุศ ล, ลจิตเกิดบ่อยๆนะสามชั่วโมงผ่านไปนี่แัดเดียวถ้าถ้าเรายิ่งพิจารณาชีวิตมากๆประมวลเรื่องชีวิตมากๆประมวลทั้งที่เป็นอดีตอนาคตมากๆแล้วจะเห็นความ เป็นไปของปัจจุบันอย่างรวดเร็วจริงๆอันพระผู้มีพระภาคจึงแสดงว่าชีวิตนี้มันน้อยจริงๆมันสั้นมากแต่เราต้องมีการเปรียบเทียบกับอย่างอื่นด้วยนะแต่ถ้านั่งแช่อยู่เฉยๆมันดูมันช้านะเหมือนนาฬิกานี่มันเดินแต่แต่ท่านนั่งดูนาฬิกาเฉยๆเนี่ยมันเร็วนะแต่ถ้าบอกว่าอีกสิบชั่วโมงคุณจะตายเนี่ยนาฬิกาทําไมมันหมุนเร็วจังนะแต่แต่กหมุนเท่าเก่านั่นแหละแต่ความคิดของเราไม่เหมือนเดิม ถ้าหากว่าเจริญกุศลจิตบ่อยๆเข้าคําว่าพบสามเนี่ยนะมันจะเป็นเหมือนกับถูกไฟไหม้คาว่าพบสามถูกไฟไหม้พบมีกี่อย่างมีสองอย่างคือกรรมมาพบกับอุปาทิพบเคยเห็น ไ, ไหใบ่เจตนา น, นี่เหมือนกับถูกไฟไหม้ซัดเข้าไปในหลุมฐานเพลิงเจริญพนเป็นอะปุญญาที่สังขารถ้าส่วนใหญ่ก็สังเกตดูกายกายกรรมมจีกรรมและมโนกกรรม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 เขาแจากระล่าในการเจริญกุศลคนคิดอยู่ตลอดเวลาทำยังไงกุศ ล, ลจิตมันจะเกิดคนคิดสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเรียกว่าความคิดเชิงฟร้างสรรเนี่ยจะมีอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าหากว่าคนที่ค่อยเดินตามคนอื่นเงี้ยนะแล้วแต่กลุ่มหมู่คณะก็จะพาไปไหนก็ป๊ะอย่างนั้นอถ้าอย่างนี้เนี่ยจะลําบากเพราะว่าเป็นไปตามอานาจของหมู่คณะเรียกว่ามิตรแต่ทีนี้มิตรนั้นเป็นพาปรมิตรหรือกัลยาณมิตรถ้าผู้ได้กัลยาณมิตรก็ถือว่า วิบากดีไปโชคดีไปและอีกส่วนหนึ่งนะคนประเภทอาสังคาริกการตรวจสอบเนี่ยอ่อนมากมิตรที่ที่ชักชวนเราเนี่ยนะชวนถูกชวนผิดเราจะไม่รู้เลยเพราะพื้นฐานตัวเองตามตลอดแต่ถ้าเป็นคนอาสาังคาริกเนี่ยมันจะตรวจสอบตลอดเวลาเพราะว่าในในผู้นั้นเนี่ยภาวะผู้นํามันสูงถ้าเป็นอาสาังคาริกอันเขาจะคิดในเรื่องอะไรที่จะทําให้กุศลจิตเกิดสามารถค้นคิดใ ห, ใหม่ใหม่ใหม่ขึ้นมาเรื่อย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 อันนี้หัวอ่อนยิ่งอ่อนยิ่งดีอ่อนมากๆยิ่งดีเลยแต่ถ้าไปอยู่กับพระเทวทัตนะหัวแข็งไม่ไมผิดต้องดูว่าเราไปคบใครเพราะถ้าพระพุทธเจ้านะพระองค์บอกว่าดูกันพิสูจน์ทางหลายสังขารมันไม่เที่ยงนะมันน่าจะมีเที่ยงมากนะพระเจ้าข่าเที่ยงอย่างงี้งงก็ไม่ต้องกันแล้วเพราะนั้นถ้าอยู่กับพระผู้มีพระภาคเจ้านะกับสัตว์บุรุษจริ ง, รงๆนั่นนะอ่อนเข้าไว้ไม่ผิดแล้อวันนี้ก็ขอกล่าวถึงเรื่อง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 มีปลายข้างบนประชุมอยู่ที่พระสอสําหรับนํารถอาหารแผ่ซ่านไปสม่ําเสมอทั่วพระวรากายบางคนเนี่ยทานอาหารอร่อยมา ก, กเรียกว่าทานอาหารเนี่ยอร่อยบางคนเนี่ยโอ้ยมันฟืดเหลือกเกินนะกว่าจะเคีย้ยวและกลืนลงไปคํานึงเนี่ยยากมากใะ ย, ยิ่งอีใครอยู่กับพระอาจารย์บุญเลิศเนี่ยท่านบอกว่าโอ้โหเวลาจะไปฉันข้าวเนี่ยเหมือนกับจะออกสุดสักอย่างอมันฉันข้าวไม่อร่อยไม่อยากฉัน มันต้องกล่อมมั้อกินข้าวนะอะไรเงี้ยคล้ายๆก็ต้องกล่อมเลยเพราะว่ามันไม่มีรสชาติใน่ตับประหอดอะไรเลยคล้ายๆแบบนั้นแหะแต่บางคนเนี่ยอุ้งกินกินอะไรก็ดูอร่อยไปหมดเลยอบางคนนั้นจะไม่เหมือนกันท่านก็มาจากกรรมประเภทเบียดเบียนสักแต่เคยถามท่านแล้วก็บอกอประเภทเบียดเบียนสักก็น่าดูเหมือนกันท่านคนที่เจ็บป่วยบ่อยๆนะส่วนใหญ่การเจ็บป่วยก็คือระบบการย่อยอาหารไม่ดี อันถ้าหากว่าเวลาเราทานอาหารนะถ้าน้ําลายไม่ค่อยออกอาหารก็ไม่ค่อยย่อยดีเหมือนกันเหมือนกับกินข้าวไม่อร่อยนะกินกินกลืนไปอย่างนั้นเขาก็ทําวิจัยว่าอาหารที่คลุกน้าลายกับไม่คลุกน้ําลายเนี่ยอันไหนจะย่อยง่ายกว่ากันต่างกันอันน้าลายที่ที่ออกมามากๆก็จะย่อยง่ายนั้นคนที่น้าลายออกเยอะๆเวลาทานอาหารเนี่ยก็จะซึมซาบรับรสเพราะว่ารส า, ารลมนั้นมีอาโปธาตเป็นประตูปนิสยาปัจจัย ในการรับรสใช่ไหมจากคูวิญญาณมี ม, มีมีแสงสว่างเป็นปกตูปะนิสยาปัจจัยเสียงมีอากาศเป็นปกตูปะนิสยาปัจจัยกลิ่นมีลมเป็นปกตูปะนิสยาปัจจัยส่วนชิวหาวิญญาณมีอาโปธาต์น้ําน้ําก็คือประเภทน้ําลายนั่นเองเป็นปกตูปะนิสยาปัจจัยอันถ้านคิดดูนะถ้าอาหารไหนที่มันแห้งเลยเนี่ยมันไม่ค่อยมีรสชาติหรอกแต่ถ้ามัน น้ำเยอะๆเนี่ยนะมันจะแถ่ต้านไปหมดเลยเพราะว่าน้ำลายนั้นเป็นจิตตชรูปจิตตชรูปกับอุตุชรูปเพราะในเรื่องของเส้นประสาทรับรสเนี่ยนะมีความสำคัญมากในการนําอาหารเนี่ยแผลไปทั่วร่างกายถ้าหากว่าร่างกายของคนที่ที่ขาดอาหารบางอย่างนะพอแตะปลายลิ้นปั๊บเนี่ยมันซ่านไปทั้งร่างกายเลยเคยไหมใครเคยบ้างไม่เหมือนพระนะพระเนี่ยเคย บางทีนะอาหารบางอย่างเนี่ยแปะปั๊บเนี่ยมันสซ่านหมดทั้งร่างกายเลยเจนว่านันมันมันมันแปกมันซ่นไปได้เหมือนกันส้มส้มคล้ายๆมัสตาร์ดเงี้ย น, นะแปะปั๊บโหซ่านหมดเลยคล้ายๆแบบนั้นอ่ะนะนั้นพระองค์นั้นสมบูรณ์ด้วยลักษณะนั้นนะสมบูรณ์ด้วยคืออาหารเนี่ยประสาทรับรสดีมากเนี่ยนี่ก็ถือว่าเป็นมหาปริศลักษณะอย่างหนึ่งคนที่มีมหาปริศลักษณะอย่างนี้ถ้าครองเรือนจะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรด ถ้าเป็นพระราชาจะได้รับอ น, นิสงส์พิเศษนะที่มาจากการไม่เบียดเบียนสัตว์ก็คือมีพระโรคาพาดน้อยมีความลําบากน้อยสมบูรณ์ด้วยพระเตโชธาตุอันทําอาหารให้ย่อยดีเรียกว่าระบบการย่อยอาหารเนี่ยดีมากเลยไม่เย็นนักไม่ร้อนนักการย่อยอาหารดีก็ทําให้สุขภาพดีถ้าอาหารทานเข้าไปแล้วไม่ย่อยนะคนนั้นมีปัญหาละสุขภาพเนี่ยจะไม่ไม่ดี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 อาหารถ้าฉันแล้วย่อยดีกับย่อยไม่ดีเนี่ยนะมีอิทธิพลต่อการเจริญกุศลมากถ้าหากว่าวันไหนเราฉันอาหารเข้าไปเนะี่ยอาหารไม่ค่อยย่อยศึกษาพระธรรมก็ลําบากตาก็ฟังเว้ยตาฝ้าอ่านหนังสือก็ไม่ดีสุขภาพไม่ดีสักอย่างแต่ถ้าอาหารมันย่อยดีวันนั้นสุขภาพจะดีมากจะสดชื่นจะสดชื่นแล้วก็สามารถที่จะพิจารณาพระธรรมได้นานๆ สามารถที่จะพิจารณาพระธรรมได้เป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยหรื อ, อรหลายๆชั่วโมงก็ได้แต่ถ้าหากว่าไฟธาตุไม่ค่อยดีย่อยอาหารไม่ได้หรือมีความบกพร่องอย่างใดอย่างหนึ่งปั๊บเนี่ยให้มันสงบสักสามนาทียังทํายากเลยมันจะต้องไปทํากิจกรรมอะไรที่ไม่ต้องไม่ต้องใช้สมาธิมากนะเช่นปัดกวาดอย่างเงี้ยไม่ต้องใช้สมาธิมากนะขยันไปปัดกวาดเถอะําระซักล้างอะไรก็ได้ทำมันอย่างอื่นที่ไม่ต้องใช้ความความสงบนะ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 วันนี้เนี่ยคิดเรื่องนี้โอ้โหคิดแล้วซึ้งเหลือเกินนะซึ้งใจโอหวันนี้ทําไมพระพุทธเจ้าท่านเก่งแท้ท่านดีจริงๆเลยนะใช้คําว่าพูดโทรปับ๊บเนีขนลุกเลยดีจริงๆเลยซึ้งอีกวันหนึ่งพระพุทธเจ้านึกห่าพระ อ, องค์แล้วก็ยังเฉยเลยนะใช่คิดถึงนรกเออนรกช่วยได้กลายเป็นว่านรกดออีกูสนแลจิตก็เหมือนกันถ้าผู้ที่มีความเข้าใจในเรื่องของปัจจัยของกุศลนั้นๆเช่น ปัจจัยที่ทําให้เกิดศรัทธาคืออะไรใช่ไหมปัจจัยที่ทําให้เกิดความเพียรคืออย่างไงสมมุติว่าอวันนี้มันชักขี้เกียจแล้วไม่สนใจธรรมะสักข้อเลยนะคิดถึงอบายมากๆนรกนี่มันของร้อนนะหรือว่าท่านไม่ร้อนอย่างเงี้ยก็ถามง่ายๆเออท่านไม่ร้อนใช่ไหมในนรกเปรตต้องสายถ้าท่านไปเกิดคงหิวไม่มากนะทนได้เอาไหมถ้าเกิดเป็นเดราชานอยู่ได้ไหมไปไถานาะเอาไหม Oh, พอ้พมันคิดอย่างนั้นปุ๊บมันวูบขึ้นมาเลยนะโอ oh, ตปะนี่มันเกิดขึ้นมาถ้าเราขาดความเพียรภพภูมิเหล่านั้นปิดไม่ได้ทักอย่างเมื่อปิดไม่ได้ทั้งอย่างเราปล่อยวันปล่อยคืนให้ล่วงไปอยู่อย่างนี้หรือวิบากกรรมาชรูปเหล่านี้เนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยอายุมาจนป่านนี้แล้วเนี่ยมันจะแตกดับไปเมื่อไหร่ก็ไม่รู้สิ่งที่ไม่มีนิมิตเครื่องหมายก็คือหนึ่งความตายเวลาตายสถานที่ทอดทิ้งร่างตาย รู้ไม่ได้แม้แต่แห่งเดียวว่าเมื่อไหร่ขณะไหนวันก่อนบอกว่ า, าความตายนี่มีใครมีนิมิตมาด้วยนะฝ่ามือบอกเลยคุณสิบห้าปีตายคนห้าสิบปีตายแปดสิบปีตายร้อยี่สิบปีตายระหว่างนี้คุณไม่ตายไม่แน่บางคนเนี่ยกรรมที่ทำให้เกิดเนี่ยนะอาจจะอยู่ได้จนถึงอายุร้อยี่สิบปีแต่ถ้าประโยค่าวิบัตปิปั๊บอุปเชธกกรรมเนี่ยเล่นงานทันทีเลย เพราะว่ากรรมในอดีตที่เราทำไว้นะมีทั้งมิตรและศัตรูถ้ามิตรเท่าตามทันเขาก็จะตามอุปการะคุณแหมถ้าผมตามมาทันคุณคุณไม่ลำบากขนาดนี้หรอกผมจะยกให้คุณนั่งอยู่ในบัลลังก์นั่นแหละแต่ไม่เป็นไรตามมาทันแล้วคุณเป็นเสนาบดีก็แล้วกันก็กระจอกงอกงอยอยู่บ้านนอกเนี่ยไปเป็นเสนาบดีเฉยเลยไม่นานพักเดียวกันกรรมมันคั่อยุปการะคุณให้ใช่ไมอยู่ทั้งเมืองใต้ได้เป็นนายกเลย ว่าอุปธรรมพักะกรรมดีนะลูกชาวสวนเป็นนายกได้แล้วคนชาวชนบทเนี่ยเป็นหลา ย, ลายสิบล้านทำไมไม่ได้เป็นขนาดฉันอุบายหรือกุสโลบายที่จะคิดให้เป็นกุศลจิตได้ฉันถ้าหากว่าเราปล่อยตามตามปัจจัยส่วนทั่วไปนะถ้าไม่ไม่เจริญโยนิโสนะอารามมะปัจจัยแบบนี้โลภะจะเกิดอารามมปัจจัยแบบนี้โทสะจะเกิด อารมณ์ปัจจัยแบบนี้โมหะจะเกิดเพราะฉะั้นอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์บางอย่างก็ชวนให้กำหนัดอารมณ์บางอย่างก็ชวนให้ขัดเคืองอารมณ์บางอย่างก็ชวนให้รุ่มหลงอยู่ตลอดเวลาพะฉะั้นถ้าอุปนิสัยเราไม่สะสมมาดีจริงๆเนี่ยที่จะคิดเป็นกุศลเนี่ยไม่ง่ายไม่ง่ายละอย่างหนึ่งนะเรื่องของการฉลาดคิดหรือว่าสามารถที่จะห้ามวิตกได้ก็คือคนนั้นมีวิริยะสังวร ถ้าหากว่าอากุศลจิตเกิดขึ้นนะถ้าไม่ห้ามปล่อยให้จิตประเภทนี้มันเกิดเรียกคนเกียดคิครานนะเรียกว่าเป็นคนเกียรติครานไม่มีหิริไม่มีโอตปะปาในกุศลธรรมเรียกว่าไม่รังเกียจในทุจริตนั้นเพราะขณะที่เป็นอกุศลก็เป็นอย่างน้อยที่สุดก็เป็นมโนทุจริตกันถ้าล่วงออกมาทางวาจาก็เป็นวจีทุจริตล่วงออกมาทางทางกายก็เป็นกายะทุจริต แล้วเราปล่อยให้ความคิดนั้นตเตลิดได้ไหมดงั้นความคิดบางอย่างนั้นอ่ะที่เป็นอกุศล น, นั้นอ่ะพระองค์จึงสอนให้ละดงนั้นถ้ามันไม่อยากละทํำยังไงหาอุบายเข้าไว้ดงนั้นอุบายที่พระองค์ทรงสอนเนี่ยมากมายอย่างอุบายละผีนามิทะสอนพระโมฆลลานะไว้จังเยอะแยะเช่นนึกถึงแสงสว่างเอาไว้หรือถ้าต้องการแบบละเอียดไปเลยเนี่ยนะทุกคนเนี่ยทวิปัญจาจะเกิด อย่างใดอย่างหนึ่งทวารใดทวารหนึ่งเอาธรรมะตรงนั้น่มาตรึกต่อไปเลสมมติว่ายุงกัดก็คิดตรงโพธทพารมที่เกิดขณะยุงกัดนั่นแหละมาตรึกว่าคําสอนกล่าวอะไรตรงนี้ไว้บ้างเช่นสมมติว่าขณะที่ยุงกัดส่วนใหญ่มันจะคันใช่หมคันอันนั้นเนี่ยอารมณ์เป็นอะไรในปัทวีเตโช ว, วายโยเป็นอะไรขณะนั้นเป็นเตโชโพธทพารมเตโชอันนั้นขณะที่ถูกกัดมีอะไรเป็นสมุธฐาน การที่โู ก, กัดเนี่ยนะถ้าพิษที่ยุงปล่อยไว้เนี่ยนะเป็นเป็นอะไรสมุทรฐานเป็นอุตุสมุทฐานใช่ไหมหรือเป็นอาหารสมุทรฐานเป็นได้สองอย่างนะอย่างพิษข้างนอกที่เข้าไปข้างในเนี่ยนะเป็นได้ทั้งอุตุสมุทฐานและอาหารสมุทรฐานนะกระทบกายปสาัสสะท่าเกิดกายะวิญญาณตรงนั้นถ้าได้ขนาดนี้แล้วธรรมะหมวลอื่นๆจะเข้ามาง่ายไหมใส่ใจโดยความเป็นขันต์ต่อไป ที่จริงขนาดนั้นก็มีเฉพาะขันห้าเท่านั้นเองกลายเป็นรูปประคันโพธะภาะก็เป็นรูปประคันกายยะภาษาธาเป็นทุกขากายยะวิญญาณก็เป็นเป็นขันธ์อะไรวิญญาณขันธ์ใช่ไหมแล้วขนาดนี้ใครไม่มีกายยะวิญญาณบ้างใครไม่เกิดกายยะวิญญาณนี่ลําบากเลยนะพบถวนให้ดีว่าสุขภาพดีหรือเปล่าเอาเห็นหนังสือกันแล้วกันเห็นหนังสือแล้วเป็นกรรมตะกตาได้ไหม ได้อ่าถ้าเห็นหนังสือแล้วเนี่ยพิจารณากรรมสกตาเนี่ยพิจารณาอย่างไรจึงจะเป็นกรรมมสกตาเอานึงนะถ้าหากว่าคนคิดจะให้หนังสือเนี่ยมีผลไหมให้ใครก็ได้คือถ้าจิตที่คิดจะสงเคราะห์อ่าถ้าให้แบบให้คนระดับที่ต่ํากว่าเรียกว่าให้แบบสงเคราะห์ให้คนระดับสูงกว่าเรียกว่าให้เพื่อบูชามันจะต่างกันทั้งให้เพื่อสงเคราะห์หรือให้เพื่อบูชาก็เป็นทานกุศล ถ้าคิดจะให้ให้มีผลไหมมีถ้าคิดจะเอามีผลไหมคิดจะเอาอะอารมณ์นี่มันเกิดขึ้นอ่ะอคิดจะอาทินนาทานอย่างเงี้ยมีผลมั้ยนั่นแหละมีผลนะหรือถ้าคิดว่าเห็นหนังสือนะ่ะเอ๊ะพวกที่ให้ทานหนังสือไม่มีบุญไม่เป็นบุญมิจฉาทิถีก็เกิดได้ในอารมณ์เดียวเนี่ยนะเอาจิตมาวิตกได้ตั้งยี่สิบดวงเลย ถ้าในอารมณ์เดียวนั้นอ่ะเช่นมีหนังสือเนี่ยนะถ้าโลภะจะเกิดเกิดเพราะอะไรโลภะเกิดมีผลไหมมีผลกี่ระยะใช่ไหมต้องดูมีผลกี่ริยะก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้เพราะว่าหนังสือเนี่ยจริงๆแล้วก็คืออวินิพกครูปแปเป็นอารมมณปัจจัยของจิตได้ทั้งทั้งกุศลและอกุศลวิบากด้วยกิริยาด้วยแต่ว่าพวกเราชาัดเจนมากก็คือเช่นทวิปัญจ อันในหนังสือหนึ่งเล่มเนี่ยนะเป็นอารมณ์ของทวิปัญจาได้สิบครบไหมครบไหมตามสมบัติทางตาใช่ป่ะอ่าเนี่ยถ้าเห็นรอยตำหนิก็เป็นอกุศลไม่บากใช่ไหมเห็นตำาหนียวไม่ดีเลยเช่นมาเห็นลายมืออะไรขยั ก, ยกไม่งามเลยอะ่ะเป็นอกุศลไมบาปไเห็ไหมอตรงไม่งามตรงที่งามๆก็เป็นจากครูวิ ญ, ญญาณเป็นกุศลระวิบากถ้าหากว่าเค้า ถ้าเคาะได้พอดีเสียงเออกุศลแลบากเกิดถ้าหากว่าเคาะบางอย่างมากเกินไปกุศลไมบากก็จะเกิดได้ดมมีกลิ่นไหมท้องถ่ายจะเป็นหวัดมั้ยฉันจึงยังเป็นคันธารมได้เคยชิมหนังสือไหมแต่ถ้าดินสอเนี่ยเคย น, นมาสมัยเด็กๆเกนี่ยกัดนั่งกัดนั่งเคี้ยวอยู่นั่นแหะแต่หนังสือเนี่ยบางคนบางทีกระดาษเนี่ย ถ้าเป็นกระดาษนะม้วนๆเอามากัดเล่นๆเนี่ยอันนี้บ่อยเหมือนกันทั้นนั้นแต่ลิ้นก็จะมีชิวหาวิญญาณเกิดขึ้นและถ้าจับก็มีกายวิญญาณเกิดขึ้นถ้าหากว่าขณะที่เห็นในรอยตําหนิเป็นอกุศลวิบากเห็นส่วนที่ดีเป็นกุศลวิบากเสียงก็เหมือนกันถ้าหากว่าเสียงขณะได้จังหวะพอดีก็เป็นกุศลวิบากถ้าหากว่ามันเกินไปก็เป็น อ ų, ภุษณวิบัตกลิ่นก็เหมือนกันหนังสือเนี่ยนะถ้าถ้าคนที่อ่านหนังสือจะสังเกตว่าหนังสือจะมีกลิ่นแต่ละเล่มไม่เหมือนกันหนังสือเก่าๆจะมีกลิ่นอย่างหนึ่งหนังสือใหม่หน่อยจะมีกลิ่นอย่างหนึ่งหนังสือไม่เคยอ่านจะมีกลิ่นอีกอย่างหนึ่งหนังสืออ่านบ่อยๆจะมีกลิ่นอีกอย่างหนึ่งพั้นกลิ่นจะไม่เหมือนกันเพราะว่าในนี้เป็นอวินิโพครูปมีกลิ่นอยู่ด้วยแล้วอ่าร่สารมเนี่ยนะคงไม่ค <ๆ S 1> ่อยมีใครไปชิมหนังสือหรอก แต่ว่าเป็นราษารณ์ได้ถ้ามาแตะปลายลิ้นแล้วกายวิญญาณเนี่ยมันก็ต้องจับอยู่แล้วใช่ไหมเพราทวิปัญจเกิดได้ถ้าทวิปัญจเกิดปั๊บสัมปติชนะก็เกิดสันติระนาจิตก็เกิดมันจะทวาราวชนะจิตกเกิดก่อนแล้วใช่ไหมเพราะฉปัญจทวาราวชนะทวิปัญจสัมปติชนะสันติระนาโวทพนะเกิดขึ้นโดยที่มีหนังสือเล่มนี้เป็นอารมณะปัจจัย เป็นอารมณะปัจจัยแล้วชาวนะจิตเป็นอะไรขณะที่ที่มีหนังสือเป็นอารมณ์เป็นจิตถ้าพวกเราทั้งหลายก็ยี่สิบดวงใช่ไในในวิถีจิตถ้าหากว่าเห็นแล้วโลภะเกิดเป็นยังไงถือโดยนิมิตและอนุพยัญชนะโอ้โหเาจัดทำรูปเล่มงามเนะเป็นส่วนใหญ่เป็นโลภะถ้าหากว่าเห็นแล้วคิดโอ้โหรูปเล่มน่าเกลียดจัง โทสะเห็นแล้วก็เฉยขี้เกียจอ่านไม่สนใจสักอย่างอันนี้เป็นโมหะแต่ถ้าเห็นอู้หูเห็นเหมือนเขาแจกหนังสือไปเมื่อกี้ใช่ไหมเามีศรัทธาเนาะคนคนนี้มีศรัทธาแต่ถ้าเห็นให้เป็นกุศลได้ไหมป ร, ไรปรารพอะไรปรารพถึงว่าเออนี่นะอพยากะตะอันนี้บรรจุพระธรรมคำสอนของพระผู้มีพระภาคกล่าวเอาไว้อย่างนี้กุศ ล, ลจิตจะเกิดขึ้นทำให้เกิดความเคารพ เขาบอกว่าถ้าไม่รู้จักเคารพพระธรรมเลยไม่รู้จักเคารพที่ไหนนะเอาข้อความปฏิจจตสมบาทมาเขียนแล้วก็ทําพระเจดีแล้วกราบไหว้เพื่อบูชาพระธรรมอันนี้ก็คือที่บรรจุพระธรรมคําสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าอั น, นกราบก็ได้กราบโดยกราบที่จริงหนังสือก็เป็นอคพยากกะตาใช่ไหมแต่ใครจะบูชาพยากกะตาอย่างนี้แต่บารอถึงว่าอพยากะตะอันนี้เนี่ยเก็บข้อความ ที่พระผู้มีพระภาคกล่าวเอาไว้พระธรรมคาสอนเหล่านี้เป็นนิยานิกระทั่เป็นธรรมเพื่อช่วยให้ฝัดพ้นจากวัฏฏทุกข์เพื่อช่วยให้ให้สาธทั้งหลายพ้นจากสังสารทุกข์อันเราก็นึกถึงพระธรรมหรือนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือนึกถึงพระสงทั้งหลายว่าท่านปฏิบัติตามนี้แหละอย่างเช่นเล่มเมื่อกี้นี่เรียกว่าปฏิสัมพิธามะอู้หูพระสารีบุตรเนี่ยท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถมาก เพราะท่านประพฤติดีปฏิบัติชอบท่านจึงงอกเงยเจริญมีสติมีปัญญาในความรู้ของพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ทําให้เจริญสังฆาคุณต่อไปได้แล้วเห็นสิ่งนั้นเนี่ยแล้วแต่ผู้นั้นสะสมอะไรมาที่จะคิดเห็นหนังสือเหมือนกันนะถ้าเป็นพวกขายหนังสือก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งพวกชอบซื้อหนังสือก็จะคิดอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมพวกไม่ชอบอ่านหนังสือจะคิดอีกอย่างหนึ่งนอนหนังสือจะคิดอีกอย่างหนึ่งความคิดซึ่งแหลกละ ในความคิดเหล่านั้นมีเจตนาเกิดร่วมด้วยไหมมีผลไหมเจตนาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจ็ดชาติหน้าดวงที่สองถึงหกชาติที่สามเป็นต้นไปแล้วกรรมที่ทาไม้แนอดีตชาติใครทากรรมไม้น้อยบ้างเคยคิดไหมว่าข้างหลังนี่มันตามเรามาเยอะจริงๆเลยวันนี้เดินจังกลงมมวเสียวสันหลังวาบเลยโอ้โหข้างหลังนี่มันมากมายขนาดนี้เลยเหรอ เอาแค่ชาตินี้นะมันมากจริงๆเลยนะแค่กรรมในชาติเนี้ยที่ผ่านมาเนี่ยหูทํามาเยอะแยะมากมายเลยแค่วันนี้แค่กรรมชาตินี้นะประโยค่าสมบัติเพื่อเลี่ยงกรรมชาตินี้ก็ไม่ใหญ่น้อยแล้วแล้วอดีตชาติเนี่ยนะชาตินี้ถ้าเราถ้าเราอดีตชาติถ้าเราเป็นคนดีจริงนะเราจะไม่คิดจิตที่เป็นอกุศลเลยแต่แสดงว่าพราะก่อนๆเราก็สะสมไม่ดีมาเพราะเราสะสมไม่ดีมาเราจึงทําปานาติบัติเพราะชาตินี้เราก็ทําปานาติบัติไว้ค่อนข้างมาก ันกรรมประเภทอายุสั้นเหตุไว้เยอะนะประโยคข้าววิบัติเมื่อไหร่ก็สมความปรารถนาเลยเพราะเหตุทําไมแล้วอธินาทานก็เหมือนกันนึกสมัยก่อนเนี่ยรักสตังแม่ประจำอะ่ะอธินนาทานเนี่ยบ่อยเลยอะ่ะมีหนังยืดหนังยืดเอาไปเป่าเล่นอะไรแบบข้างนอกอใช่ไหมตลากรักหนังยืดนั่นแหละมีอะไรรักหมดอะ่ะของกินเนี่ยก็ลักกินหมดอะ่ะอันอธินาทานก็ไม่ใช่น้อยเลยพอแม่จับได้ปั๊บนัมูสาววาดอีกเนี่ยนะเล่า หน้านั่นหน้านเหมือนกันแน่ใช่ไหมทลานเขาบอกว่ามีอภาสิทของที่สุรินเขามีอยู่บางว่ า, วาเออถ้าอยู่สุรินแล้วไม่กินสุราเนี่ยก็เรียกหมาสุรินใช่ไหม เ, เขาเขาสำนวนของอ่าชายัยเสริีชยัยเสริเป็นคนให้สโลแกนอันนี้ขึ้นแต่งสโลแกนนี้ขึ้นมาเพื่อที่จะขายสุราไงเขาแต่งสโลแกนของชาวสุรินว่าเอออยู่สุรินไม่กินสุราเรียกว่าหมาสุรินเขาว่างั้นนะมีมีคนให้ให้สโลแกนอย่างนี้ไว้เป็นสโลแกนของคุณชัยเสริ ทีนี้มีคนฉลาดเขาคิดใหม่ก็บอกใครไม่กินสุราเป็นเทวดาสุรินคำว่าขนาดนั้นเนี่ยเป็นทั้งหมาเป็นทั้งเทวดาเลยอยู่สุรินละไหมเงี้ยเ <c oughs> ลิฟก็มีกินก็มีมันเป็นทั้งหมาเป็นทั้งเทวดาเลย <c oughs> ทีนี้เราเคยทํากรรมประเภทเดื่มสุราไว้มันปัจจัยที่ทําให้อุทาจาคมีอยู่อันเราเห็นคนปัญญาอ่อนเนี่ยอยากคิดว่าเราพ้นเนี่ของธรรมานี่มองได้เลยว่าเรายังไม่พ้นสภาพแบบนั้น กรรมประเภทการดื่มสุราเนี่ยเรามีเพราะฉะนั้นไปเป็นเด็กปัญญาอ่อนหรือไปเป็นคนวิจริตรุ่งสัน้นเป็นไปได้เลยเหตุประเภทนี้สะสมไว้แลนะ้วแล้วประเภทอื่นอนีีกอะมูสาวาตก็มีแะ้วใช่ไหมว่าจีกรรมก็ทํำไหมมโนกรรมเนี่ยสมัยมิจฉาทิฏฐิก็มีบ้างที่สมัยที่ไม่รู้บุญรู้บาปก็คิดไปเรื่อยเปื่อยความคิดเหล่านั้นไม่ใช่ไม่มีผลมีผลมันกรรมเหล่านั้นสมาทาน สะมาทางไม่เรียบร้อยแล้วอันแล้วแต่ประโยคะอาศัยกาละบางอย่างกรรมเหล่านั้นจะให้ผลทันทีเลอาศัยประโยคะบางอย่างกรรมเหล่านั้นจะให้ผลทันทีเลยอาศัยคติบางอย่างกรรมเหล่านั้นจะให้ผลทันทีนั้นชีวิตของเราเนี่ยสะสมความคิดไว้ขนาดไหนหรือใครว่าความคิดไม่มีผลเที่ยงแค่แก่ธรรมดานะความคิดบางอย่างสนับสนุนความคิดความคิดบางอย่างตัดความคิดความคิดบางอย่าง เขาเรียกว่าเบียดเบียนความคิดบางอย่างเข้าไปแปลว่าความคิดของเราเนี่ยคิดนึกต่างๆเหล่านี้นะแต่นี้ในลักษณะตรกตูป่านิสยปัจจัยแต่นานักขาขดคณิตกรร ม, มปัจจัยอ่ะจะเกี่ยวเนื่องกับชีวิตของเราตลอดเพั้นถ้าเราไม่ศึกษาให้ดีๆนะจึงจึงปล่อยจิตไปทํากรรมไว้มากมายมหาศาลถ้ายิ่งกรรมที่ปล่อยไปกับอํานาจของโมหะเนี่ยพบเดรชาเนี่ยสัจเดราชานเนี่ ย, าานนยจึงมากมายจริงๆเลย อันในขณะตามมองเห็นรูปเนี่ยไม่ควรประมาทเป็นอย่างยิ่งหูได้ยินเสียงเนี่ยเครื่องบินเนี่ยเป็นกรรมสากตาได้ไหมถ้าทําการชั่วนะถึงอยู่บนฟ้าก็ไม่พ้นพระองค์แสดงไว้เลยว่าถ้าหากว่าคนที่ทําอาคุศุลกรรมไม่มากนะถึงจะอยู่ในท้องฟ้าก็ไม่พ้นใช่ไหมมีกาตัวหนึ่งเนี่ยบินพับๆไปทีนี้ไอ้สเวนหม้อนะที่รองหม้อสมัยก่อนหม้อดินใช่ไหมก็จะมีที่รองหม้อแขวนไว้ข้างฝาไฟมันลุกวาบเข้าไปทีนี้มันลุกมัน เปลวขึ้นเลยนะสวงคอกาพอดีแป๊ะหละกรรมมันจะให้ผลเนี่ยอยู่บนท้องฟ้ามันก็ยังให้ผลได้แต่เครื่องบินใช่ไหมบินยังยังระเบิดอยู่บนนั้นก็มีใช่ไหมไอที่ตกมาก็มีเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอากุศลกรรมที่สมาทานไว้แล้วเนี่ยมันมีผลเมื่อมันมีผลแล้วขณะนี้เนี่ยเรายินดีที่จะให้อากุศลกรรมเหล่านั้นให้ผลไหมถ้าประโยค่าวิบัติมันให้ผลแน่ แต่ถ้าหากว่าเรามีประโยค่าสมบัติสามารถที่จะเจริญกุศลได้ก็บอกถ้ากุศ ล, ลจิตเกิดบ่อยๆมันจะบรรเทาได้ถือว่าเป็นประโยค่าสมบัติถ้าประโยค่าสมบัติเหล่านี้เกิดขึ้นมากๆนะถ้ากุศลเกิดขึ้นระดับมรรคกุศลนะพ้นเลยหรือระดับชาณากุศลนะความทุกเหล่านั้นไล่ไม่ทันเนะีนะ่ยคือว่าแล้วแต่ถ้ารถเนี่ยมัมี ข้างหลังเนี่ยตามมาเยอะๆแล้วแต่เครื่องของเราถ้าเครื่องดีก็หนีพ้นอ่ะแต่เครื่องไม่ดีก็หนีไม่พ้นฉันกรรมอกุศลกรรมในอดีตเนี่ยติดตามเรามาตลอดเลยนะขณะนี้ก็ตามมาเพียงแต่ว่าเราไม่ได้ให้ข้ามันนะถ้าป่วยเมื่อไหร่โอ้ยไปทำบุญทํากรรมอะไรมานะฝ่ายตอนกรรมดีๆเอ๊ะฉันทํากรรมดีอะไรมานะจึงมาให้ผลดีอย่างเงี้ยไม่เคยคิดนะแต่ว่าพออกุศลกรรมให้ผลปั๊บเนี่ยคำครวญแล้วนะ ทำเป็นทำกรรมทำบาปอะไรมาเนอะนนะนะหาแล้วไอ้กรรมตัวไหนเนอะนั่งบน่นนั่งคิดอยู่นั่นแหละแต่ฝ่ายกุศลและวิบากให้ผลมาตลอดเลยนะใช่ทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าเราศึกษาว่า อ, อขณะนี้จิตเราเป็นอย่างไรสามารถที่จะเจริญกุศลจิตข้อไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นพวกกรรมฐานต่างๆเนี่ยควรศึกษาไว้เป็นอย่างยิ่งเพื่อที่จะไม่ปล่อยใจให้ไหลไปกับบาปกับอกุศล อันถ้าว่ากุศลประเภทพรหมิหารเนี่ยประเภทเมตตาพระองค์แสดงว่ามีผลมากมายมหาศาลใช่ไหมทานกับศีลหรือเมตตาเนี่ยสามอย่างไหนมีผลมากกว่ากันทานศีลเมตตาไหนมีผลมากกว่าเมตตามีผลมากที่สุดเพราะคนมีเมตตาแล้วจะให้ทานก็ง่ายคนมีเมตตาแล้วรักษาศีลก็ง่ายคนมีเมตตาแล้วเจริญภาวนาก็ง่ายเจริญภาวนาชั้นอื่นๆ อ, อ, อีกก็ง่ายนั้นกุศลจิตเนี่ยอย่าประมาทเลยนั้น กุศลจิตนะก็มีอาหารใช่ไหมอาหารของกุศลมีอะไรบ้าง<ม>นะเหตุภายในที่ทําให้กุศลเกิดคือโยนิโสมณัสิการะเป็นอาหารภายในให้กุศลจิตเกิดอาหารภายนอกที่ทําให้กุศลจิตเกิดปัจจัยภายนอกคืออ่ะนะกัลยาณมิตรคือกัลยาณมิตรเนี่ยเมื่อครบกัลยาณมิตรจะหวังอะไรได้มั้งถ้ามีกัลยาณมิตรจะได้ฟังกระทาวัตถุสิประกนะ ถ้าผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นกัลยาณมิตรคือเขามีศรัทธามีหิริโอต ป, ปะมีสุตะมีจาคะมีปัญญามีอุปสม ธ, ธรรมเหล่านี้นะกัลยาณมิตรเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้เราเป็นบาปหรอกเขาจะไม่ชวนคุยเรื่องที่ไม่ควรคุยเขาจะชวนเช่นว่าด้วยเรื่องของถ้าเป็นพระสองฆ์องค์พระเจ้าจะสนมักน้อยสันโดษมีความเพียรศีละกะถาสมาธิกถาปัญญากถาวิมุตติกถา วิมุตติญาณทัศนกถาท่านก็จะพยายามที่จะปรารบให้กุศลจิตอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นให้ได้อันกาลยานมิตรเนะีถ้าท่านนิ่งนะถ้าถ้าเราเคยเคยคบกับกาลยานมิตรถ้าเขานิ่งเนี่ยแสดงว่าเขากําลังใส่ใจธรรมะหมดใดหมดหนึ่งอยู่เ อ, เอ๊เขาคิดธรรมะเว้ยเราจะมาปล่อยจิตอย่างนี้ได้ยังไงใช่ไหมเราก็จะพยายามคิดเป็นธรรมะละมันไม่เข้านิ่งยังมีผลต่อใจเราเลยอ่ะใช่ไหมพอเขาพูดปั๊บเราต้องเอามาคิดอีกแล้ว อันพลาได้กาลยานามิตรนะจึงกาลยานามิตรจึงเป็นทั้งหมดของพรหมจักอันผู้ที่สามารถอถ้าถ้ายิ่งสมัยนี้เลยนะก็คือให้เอาพระธรรมนั่นแหละเป็นกาลยานามิตรเพราะว่าพระพุทธเจ้าบอกว่าธรรมวินยัยใดที่ตรัสไว้ดีแล้วธรรมวินัยนั้นเน่ยจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายอั้นถ้าสมัยนี้นะกาลยานามิตรเราจะอาศัยได้อย่างไรอาศัยได้ด้วยการทรงจําพระสุทรงจําพระธรรมเอาไว้ พระธรรมนี่แหละจะคอยเตือนเราบอกอย่านะคิดอย่างนี้อย่าทำอย่างนี้พระธรรมจะคอยบอกเราตลอดถ้าเราจํพระธรรมได้จําไม่ได้ก็ท่องกุศลจิตไม่เกิดถือว่าเป็นประโยคะวิบติถ้ากุศลจิตไม่เกิดนะเพราะขาดโยนิโสมนสิกา ร, ระคติก็คือคติได้แก่อะไรวิบากตัมมัชูปคือคติแต่ถ้าหากว่า สถานที่หรือว่าการลวิบัติหรืออะไรเงี้ยนะเป็นสถานที่ที่ไม่มีพุทธบริษัทอันนี้เขาเรียกว่ายุคในกาลวิบัติแต่ถ้าหากว่าไปที่นั่นนะของมาเนี่ยกลมตัวนะถ้าเราจะไปที่ไหนที่นั่นจะต้องมีพระไตรปิฎกไว้กลับที่แปดร็วก็จะต้องมีพระไตรปิฎกไว้มีหนังสือพร้อมค้นได้สบายเลยกลับบ้านที่สุรินก็มีที่ค้นตาราได้ไปที่อุบลก็มีที่ค้นตาราเอกไปยโสธรยังมีที่ค้นตาราเลย กับมาประจินก็มีที่คนตํารามันวางพระไตรปิกไว้เป็นจุดๆงั้นถ้าเราไปนะจะต้องมีตําราให้อ่านต้องมีพระธรรมให้อ่านตลอดเขาบอกว่าเราทําเหตุไว้ไม่ดีนกักต้องประโยคะให้มันดีๆหน่อยอย่างน้อยที่สุดนะสมัยก่อนเนี่ยแบกแต่ตําราอย่างเดียวเลยนะยามเนี่ยโหบริหารนิดเดียวที่เหลือตําราทั้งนั้นเลยทีนี้แบกไปแบกมาอทํำยังไงดีทํำยังไงเราจึงจะให้ตําราเกิดขึ้นในขณะที่เราเห็นเลย เขาพยายามที่จะคนคิดดึงพระธรรมคําสอนลงมาในชีวิตพระธรรมเนี่คืออะไรกันแน่เช่นคําว่าอริยสัจอย่างเงี้ยหรือคําว่ามัชชิมาปฏิปทานเนี่ยคิดยังไงเป็นอัตากิรมฐานโยคทําตัวยังไงเป็นกามสุขัลิกานโยคทํายังไงเป็นมัชชีมาปฏิปทานถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจอันนี้ป้าเราจะเข้าใจธรรมจากทันทีถ้าเข้าใจธรรมจากแสดงว่าเราเข้าใจเรื่องอริยสัจละระดับเนี่ย ทีนี้ถ้าเข้าใจเรื่องอริยสัจจะเข้าใจเรื่องขันห้าถ้าเข้าใจเรื่องขันห้าดีจะเข้าใจเรื่องท่าเรื่องอริยตนะเรื่องธรรมะหมวดอื่นๆจะสัมพันธ์กันทั้งหมดถ้าเข้าใจธรรมะหมวดอื่นๆด้วยถ้าผู้เรียนอภิธรรมมัตสังกะคิดถึงปริเชตหนึ่งก็ได้ประเชตหนึ่งกล่าวว่ายังไงประเชตสองกล่าวว่ายังไงประเชตสามกล่าวว่ายังไงก็สามารถมาตรึกมาพิจารณาอยู่บ่อยๆทบทวนบ่อยๆแต่แล้วก็สามารถที่จะเอามาใช้ในในชีวิตจริงๆได้ อันพอพูดถึงพระธรรมหมวดใดหมวดหนึ่งถ้าเมื่อก่อนเนี่ยจะนึกถึงคำภีรถ้าตอนนี้จะคิดว่าอยู่ส่วนไหนของชีวิตพูดหนึ่งคำขึ้นมาเช่นพูดคําว่าสติอย่างเงี้ยจะนึกว่าส่วนไหนของชีวิตแต่ถ้าเมื่อก่อนนะโอ้โหคําว่าสติสติเป็นฉนไหนอย่างเงี้ยจะนึกถึงข้อความในคำภีรหรือว่ากระแสทั้งหลายมีสติเป็นเครื่องเครื่องกงั้นจะนึกถึงพระพุทธพจน์เหล่านั้นแต่ตอนนี้ก็คําเหล่านั้นก็ยังมีอยู่แล้วก็สังเกตในขณะนี้ด้วย ใส่ใจท้าสติจะเกิดขึ้นขนาดนี้จะเกิดได้เพราะอะไรอสมมติว่าผมเรียนปริเชนหนึ่งใหม่ๆเนี่ยนะแล้วก็ตอนนจิตผมตกไปในอกุศลเนี่ยผมก็อยากจะจิตเป็นกุศลเนี่ยมันจะเป็นกุศลได้ไหมถ้าสมมุติว่าถ้าผมหลับตาแล้วผมนึกถึงปริเชนหนึ่งนะอกุศลจิตติดสองดวงอ่ะนี่นี่ก็โทส่าสองโมหะสองโลภะแปดผมก็ไล่ไปเรื่อยนะโลภะก็มีทิฏฐิขตาสัมพยุสีวิปยุสีไล่ไปถึงกระทั่ง มหากุศลรจิตแปดมหาวิปักษ์แปดมหากริยาอีกแปดได้เป็นรูปภาวจรสี่อรูปาวจรสีอะไรไล่ไปอย่างเงี้ยคือแต่ว่าก็มองเห็นเป็นดวงดวงดวงดวงอย่างนี้ถามว่าวิตกอย่างนั้นเนี่ยเป็นอกุศลวิตกหรือว่าเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลใช่ไหมใช่เป็นกุศลหรืออกุศลก็ผมเนี่ยก็รเรียนใหม่ใหม่ก็เห็นเป็นดวงเนี่ยแล้วก็ยังโยนิโสไม่เป็นคืออะไรคิดไม่เป็นเรื่องเดียวกันนั่นแหละถามว่าคิดอย่างนี้แล้วใจผ่องใสไหม เพราะว่าคือคือที่ที่ต้องถามอย่างงี้เพราะว่าต้องแยกต่อเพราะบางคนเนี่ยนึกแล้วเครียดนะโทสะมันบุญที่ไหนอะถึงจะมีอะไรเป็นอารมณ์ถ้าโทสะเกิดนะบาปหมดเลย <c oughs> เพราะว่า ม, มีมีหลายคนเวลาสมมุตินะจะเครียดมากที่สุดคือใกล้สอบอย่างเงี้ยโอ้โหก็นึกถึงคําว่าสัมปยุทธวิปยุทธเหล่านี้แหละแล้วโทสะมันเกิดอ่าถ้าอย่างนั้นไม่ใช่แต่ถ้าหากว่าฉลาดคิดนะ มันก็ไม่ไม่เป็นอกุศลแต่ถ้าหากว่าจะคิดให้เป็นกุศลเนี่ยของของรรมาจึงสนับสนุนในลักษณะว่าถ้าชีวิตของเราเองเนี่ยสมมติถ้าจำได้ดีหน่อยนะถ้าโลภะทิฏฐิขตสัมปยุตจะเกิดเกิดได้เพราะอะไรของเราเองเนี่ยแล้วก็ถามถ้าหากว่าเรียนประฉทหนึ่งมาดีจะรู้ด้วยว่าปัจจัยของโลภะทิฏฐิขตสัมปยุตมีอะไรบ้างนะถ้าเรียนแล้วจะรู้เลยว่าเช่น อโยนิโสมนสิการก็เป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิขตาสัมปยุตหรือว่าวิตกก็เป็นเหตุให้เกิดทิฏฐิขตาสัมปยุตหรือผู้ที่ใส่ใจในการมคุณห้ามากๆก็เป็นเหตุให้ทิฏฐิขตสัมปยุตเกิดทีนี้มันเกิดมันเกิดได้ยังไงเพราะนั้นเราจะได้มีความชัดเจนขึ้นถ้าเรียนลักษณะถามตัวเองบ่อยๆอย่างนี้บ่อยๆแล้วเรียนอภิธรรมเนี่ยจะไม่ยากจะไม่หนัก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 ไม่ตามไม่ได้เกิดง่ายๆหรอกอุสลจิตไม่ได้เกิดง่ายๆเดินผ่านแต่ถ้าหากว่าที่กล่าวเมื่อกี้เนี่ยพ่อบางท่านไม่ได้เป็นอย่างนั้นเธอถ้าคิดนะคิดอย่างนี้บ่อยๆเป็นกรรมฐานไหมเป็นไหมธรร ม, มานุสติอ่ะนี่เป็นคําสอนใช่ไหมนะโลภ้าแปดใครแสดงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงโทสะสองใครแสดงพระผู้มีพระภาคทรงแสดงพันพระธรรมเหล่านี้พระผู้มีพระภาคตรับไว้ดีแล้วใช่ไหม พระองค์แสดงว่าโลภามีแปดโทสะมีสองโมหามีสองอหตุกจิตที่เป็นอภุษณวิบากเจ็ดค่อยไล่ไปเรื่อยๆเสร็จแล้วนะถ้าไล่อย่างนั้นคล่องแนละ้วจึงจะไล่ลงในในชีวิตเราได้ถ้าหากว่าสูตรต้นๆเลยจําำผิดๆถูกๆนะที่จะประยุกต์ลงมาในชีวิตเนี่ยขเขางธารมาแทบมองไม่เห็นเลยนั้นความจําเหล่านั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญมากนั้นการท่องเนี่ยช่วยได้เยอะ ่าถ้าคนเคยท่องหนังสือบ่อยๆนะถ้าท่องหนังสือทางศาสนาเนี่ยจะไม่เหมือนท่องหนังสือบางอย่างถ้าท่องบ่อยๆแล้วมันจะสงบนะท่องบ่อยๆนะสมมุติว่ า, สวาเสวนาจะพาลานางปณิตานั่นจะเสวนาเนี่ยคิดลักษณะ น, นี้บ่อยๆมันสงบมันกลายเป็นมันมันสงบโดยที่ถามว่าเป็นกุศลไหมเป็นกุศลประเภทญาณวิปยุตมันก็เป็นกุศลได้เพราะในขณะนั้นเห็นประโยชน์ของคําสอนเหล่านั้น ว่าคําสอนเหล่านี้คือพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงเอาไว้แล้วดการทรงจําพระธรรมเหล่านี้มีผลในการประพฤติปฏิบัติต่อไปในทายภาคหน้าดันั้นถ้าหากว่าเรามีความเข้าใจแล้วทรงจําไว้ได้แล้วหมั่นทรงเคราะห์ลงมาในชีวิตบ่อยๆนะวว่าพระธรรมเหล่านี้เนี่ยอยู่ส่วนไหนของชีวิตของเราคําถามประเภทนี้ต้องต้องมีบ่อยให้ให้บ่อยมากถ้าบ่อยมากยิ่งดีเสร็จแล้วพอทรงเคราลงปุ๊บเราจะเห็นว่าเราไม่เข้าใจดีพอจะได้กลับไปทบทวนมา พอทบทวนใหม่ก็จะกลับบัคิดใหม่สลับกันไปอย่างนี้จนกว่าจะเข้าใจเรื่องนั้นเป็นอย่างดีเพราะในเรื่องเดียวเนี่ยนะคิดเอากี่ครั้งดีเอาเท่าไหรด่ดีร้อยครั้งเองเหรอแค่ร้อยเองหรอเหรอบอกว่าเป็นพันครั้งยังน้อยไป